ถึงการเจริญสติหรือการทํากรรมฐานหลายคนจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนบางทีถึงกับกลัวเลยนะขณะที่การเจริญสติในะโดยเฉพาะที่นี่เนี่ยมันไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเรามากเลยไม่เหมือนกับการทํางานนะการทํางานนี่มันเรียกร้องจากเราหลายอยา่างเช่นต้องมีความรู้นะ ต้องมีวุฒิการศึกษาต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเช่นมีโต๊ะมีเก้าอี้มีคอมพิวเตอร์ น, ะนี่ขนาดเป็นงานที่ใช้หัวนะถ้าเป็นงานที่ใช้แรงนี่โอ้มันยิ่งต้องเลียกร้องอะไรจากเราหลายอย่างเพราะต้องไปทํางานกลางแดดซึ่งมันเป็นเรื่องยากสําหรับพวกเรา การทำกรรมฐ า, านการจดสติเนี่ยมันก็เรียกร้องแค่เวลาจากเรามีเวลาให้กับการจนสติจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่แต่ว่าถ้ามาฝึกที่นี่นะเดยเพราะถ้าเราต้องการฝึกให้เกิดนะเกิดมกักเกิดผลหรือว่าเกิดผลที่เป็นรูปธรรมนี่ก็ต้องให้เวลากับมันเยอะหน่อย แต่ก็น้อยกับเวลาที่เราให้กับงานการยิ่งถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชื่อของผู้คนเช่นหมอพยาบาลหรือว่าไม่กระทั่งการขับรถโดยสารเนี่ยยิ่งต้องอาศัยความเรีย่ยวออความใส่ใจความมีสติอย่างยิ่งพอถ้าพลาดก็หมายถึงชีวิตคนแต่ว่าการจริญสติเนี่ยมัน ไม่ได้ถึงขนาดนั้นอนุญาตให้เผลออนุญาตให้พลังไดนะ้เพราะว่ามันไม่ได้มีผลนะถึงชีวิตนะมันไม่ได้เกิดคลร้ายแรงขนาดนั้นถามว่าเอาเวลาไปสำหรับการเจริญสติเนี่ยเอาเวลาไปทำอะไรนะก็เอาเวลาสำหรับการเดินจงกรมการสร้างจังหวะ เราต้องการกายนะสำหรับการเดินวงกลมการยกมือสร้างจังหวะใช้กายเท่านั้นแหละไม่ได้ใช้กายทำอะไรที่ยากไปกว่านั้นเลยหรือถ้าเกิดว่าเหนื่อยขึ้นมาเมื่อยขึ้นมาเดินไม่ไหวเอาก็นั่งพักขึงนิ้วพลิกมือไปพลิกมือมา ก็ไม่ได้ยากอะไรคนที่เจ็บคนที่ป่วยหรือว่าคนที่ปวดขาปวดแข้งก็ยังปฏิบัติได้พลิกมือไปพลิกมือมากำมือแล้วก็แบกกดิกนิ้วก็ยังได้อย่างอาจารย์กำพลนะพลิการตั้งแต่คอลงมาแต่พอขยับมือได้บ้าง ต้องใช้มือเนี่ยพลิกมือไปพลิกมือมาจนกระทั่งเข้าใจธรรมะสมาธิจะสมาบวนใหม่ใหม่ทำจริงทําจังมากจนกระทั่งปวดแข้งปวดขาเดินไม่ได้ก็ใช้วิธีครึ่งนิ้วไปครึ่งมือครึ่งนิ้วพลิกมือไปพลิกมือมานั่งพิงต้นไม้นะทําเงี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมง มันไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเรามากนะนอกจากว่าความนอกจากเวลาและความใส่ใจแล้วขอให้มีกายที่เคลื่อนไหวนาจะเคลื่อนไหวแค่ไหนก็ได้ทั้งนั้นเพราะนั้นจะเป็นคนธรรมดาคนป่วยคนพิการก็ยังทําได้อันนั้นเป็นเรื่องส่วนเรื่องของกายส่วนใจนะนะมันก็ต้องทําอะไรมากก็แค่ดูเฉย ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจแค่ดูเฉยๆหรือสังเกตไม่ต้องถึงกับไปบังคับจิตบังคับใจให้มันหยุดคิดหรือว่าทำให้จิตมันนิ่งคนไปเข้าใจอย่างนั้นก็อาจจะจริงสำหรับการปฏิบัติแบบอื่นแต่ที่นี่เนี่ยมันไม่ได้เรียกร้องเราขนาดนั้นไม่ต้องบังคับจิต ไม่ต้องไปห้ามความคิดซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมันต้องใช้กำลังมากทีเดียวทำมากๆถ้าทำไม่เป็นก็เครียดหงุดหงิดเพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่ยอมอยู่ในอำนาจของเราความคิดมันกน็ออกมาไม่หยุด ถ้าไปบังคับจิตให้หยุดคิดหรือไปห้ามความคิดยิ่งทาก็ยิ่งเครียดแต่เราไม่ต้องทำมันขนาดนั้นแค่ดูนะดูความคิดที่มันออกมานะแล้ทั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความคิดเพราะวาความคิดกับอารมณ์นี่มันก็เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันคิดเรื่องอดีตที่เจ็บปวดเช่น การสูญเสียคนรักของรักก็ทําให้เกิดความเสียดายเสียใจอะไรอาวานเกิดความเศร้าคิดถึงคนที่ก็ทําร้ายเรากานแกล้งเราด่าว่าเราก็เกิดความโกรธคิดถึงความผิดพลาดในอดีตที่ทํากับผู้มีพระคุณก็เกิดความรู้สึกผิดหรือว่าคิดถึงเรื่องอนาคตที่ยังไม่เกิดคิดไปคิดมาก็หนักอกหนักใจเพราะมันคิดแต่เรื่องลบเรื่องร้ายคิดแต่ปัญหา มีทางออกก็จริงแต่ทุกทางออกก็เห็นแต่ปัญหานะคนบางคนนี่ทุกปัญหามีทางออกแต่หลายคนเนี่ยเวลามองก็มอยแบบหนึ่งนะคือทุกทางออกมีปัญหาเห็นแต่ปัญหาไป็นหมดมก็เลยหนักอกหนักใจเกิดความเครียดอันนี้เลยว่าความคิดเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดอารมณ์และพออารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ทําให้ คิดไปในทางเดียวกันเช่นคนที่หงุดหงิดคนที่มีความโกรธมันก็เห็นแต่เรื่องลบเดีย๋ยคิดแต่เรื่องลบของคนคนนั้นของคนที่เราเกลียดของสิ่งที่เราหงุดหงิดด้วยนะแต่ไม่ว่ามันจะมีความคิดหรืออารมณ์ใดเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องทาอะไรมากก็แค่ดูเฉยๆสังเกตเห็นมัน ือที่ไม่ต้องทำอะไรกับมันไม่ต้องไปควบคุมความคิดไม่ต้องไปหยุดความคิดหรือหยุดอารมณ์กดข่มอารมณ์แต่จะทำกันได้เนี่ยมันต้องยอมนะต้องยอมให้ความคิดและอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นได้หลายคนเนี่ยจะไม่ยอมให้มีความคิดบางอย่างเกิดขึ้นจะไม่อนุญาตให้มีอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้น อาจจะเป็นเพราะเห็นว่ามันไม่ดีมันไม่ถูกมันไม่ควรที่จะคิดแบบนั้นยิ่งมาปฏิบัติก็เข้าใจว่ามันต้องไม่มีความคิดเพราะนั้นพอมีความคิดใดเกิดขึ้นก็จะไปหยุดไปห้ามมันมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นเลยเาอารมณ์ที่ไม่ดีก็ไปกดข่มมันเพราะว่าไม่ชอบมันเพราะเข้าใจว่าเกิดขึ้นแล้วจะทำให้ใจเป็นทุกข์ ซึ่งที่จริงก็ไม่ใช่นะมันเกิดขึ้นแล้วใจยังไม่เป็นทุกข์หรอกจนกลัไปเกี่ยวข้องกับมันอย่างไม่ถูกต้องนะเช่นเข้าไปยึดมันหรือเข้าไปผักสามันมันก็เหมือนกับเศษแก้วอยู่ในมือนะเศษแก้วอยู่ในมือนี่มันยังทำอะไรเราไม่ได้หรอกหรือเราก็จะไม่รู้สึกอะไรกับมัน เราจะรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดก็ต่อเมื่อเราไปกรรมเสียแก้วนะั้นเช่นเดียวกันนะแม้มันจะมีอารมณ์หรือความคิดบางอย่างเกิดขึ้นที่ร้ายๆแต่ถ้าหากว่าเราไม่ไปยุ่งกับมันใจก็ไม่ทุกข์หรอกแต่ที่ไปยุ่งกับมันเนี่ยเด็ดเป็นเพราะไปยุ่งกับมันแหละนะมันก็เลยเป็นทุกข์เหมือนกับไปยุ่งกับ เศษแก้วในมือใช่ไปกรร ม, มันเอาไว้มันอยู่ในมือเราถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันแค่ดูมันเฉยๆมันจะเกิดอะไรขึ้ น, นก็ไม่เกิดอะไรและต่อไปถ้ารู้จักพลิกมือนะเศษแก้วก็ตกลงจากมืออันนี้เ็าเรียกว่าวางนะหรือปล่อยแต่ถึงแม้ยังไม่พลิกมือนะก็ขอเพียงอย่าเพิ่งไปก ร, ร ม, มันเอาไว้เท่านั้นเอง ตอนนี้ก็หมายความว่าความที่เราอารมณ์อดที่เกิดขึ้นแม้จะเป็นความที่ร้ายอารมณ์ที่เป็นอกุศลแม้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแต่เราก็แค่ดูมาเฉยเฉยไม่ไปทำอะไรกับมันความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นนะแต่ส่วนใหญ่มักจะไปทำอะไรกับมันเพราะคิดว่ามันเป็นเหตุแห่งทุกข์แต่ที่แท้เหตุแห่งทุกข์เกิดขึ้นจากการที่เราไปกระทาอะไรที่ไม่ถูกต้องนะ เช่นไปกำรรเสกแก้วเอาไว้หรือมันก็ว่าไปยึดไปถือนะความคิดและอารมณ์หรือแม้กระทั่งไปผักใสมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรมากนะก็แค่ดูมันเฉยๆแล้วก็ยอมให้ทุกอารมณ์เกิดขึ้นแม้จะเป็นอารมณ์ที่เป็นดีใจเสียใจนะความคิดก็เหมือนกันนะมีความคิดใดเกิดขึ้นก็ พ็แค่ดูมันเฉยๆแต่ใหม่ๆเนี่ยยังทําอย่างนั้นไม่ได้นะมีความคิดใดเกิดขึ้นมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็ไหลไปตามความคิดนั้นไหลไปตามอารมณ์นั้นนะเพราะนั้นก็เลยคิดเรื่อยเปื่อยหรือว่าคิดอ่ายืดคิดคิดยืดยาวไปเรื่อยๆนี่ธรรมดาเนาะอันนี้ก็อสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนเวลาปฏิบัติ อยากจะดูมันเฉยๆแต่ว่ามันผ่าธาเสียทีไหลไปตามความคิดและอารมณ์เหล่านั้นไม่เป็นไรเพราะว่าถึงจุดหนึ่งมันก็จะรู้ว่าไหลมันจะรู้ว่าไหลไปตามความคิดและอารมณ์ในช่วงขณะที่รู้ว่าไหลนั่แหละนะที่มันจะทำให้เกิดความรู้ตัวขึ้นมา แล้วพอรู้ตัวแล้วเนี่ยใจมันก็กลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วก็มารับรู้ว่ากายกาลังเคลื่อนไหวรับรู้ว่ามือกาลังเคลื่อนรับรู้ว่าตัวกาลังขยับเท้ากาลังขย่อนขนะเดินจงกรมในการรู้ว่าไหลเนี่ยนะถึงเป็นเป็นช่วงขณะที่สำคัญเพราะพอรู้ว่าไหลเนี่ยมันก็จะมันก็จะกลับมารู้เนื้อรู้ตัว แล้วที่เราปฏิบัติเราก็เน้นตรงนี้แหละคือให้รู้ว่าไหลอยู่ บ, บ่อยๆรู้ว่าเผลอบบอยู่บ่อยๆรู้วเผลอบ่อยๆรู้ว่าเผลอบ่ อ, บบอยๆรู้ว่าเผลอบ่ อ, บบอยๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราเน้นอย่าไปวิตกว่ามันเผลอบ่อยไม่เป็นไรนะบางคนไปนเน้นว่าเนี่ยต้องไม่เผลอต้องไม่เผลอแต่ว่าการปฏิบัติที่นี่เนี่ยเผลอได้แต่ขอให้รู้วเผลอ แล้วการที่คนเราจะรู้ว่าเผลอได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมันเผลอซะก่อนถึงจะรู้ว่าเผลอถ้าไม่เผลอจะรู้ได้ไงว่าเผลอและการปฏิบัติที่เราทําก็คือให้โอกาสในการที่จะรู้ว่าเผลอบ่อยๆรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆเพราแล้วเนี่ยยิ่งทํานานเท่าไหร่นะมันก็ ยิ่งมีโอกาสที่จะรู้บ่อยๆว่าเผลอหรือเรียกว่ารู้ทันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแต่สิ่งที่อยากจะเน้นคือว่าอาการรู้ทันหรือว่าเผลอเนี่ยมันเกิดขึ้นเองนะมันเกิดขึ้นเองอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยจะไปจงใจนะหรือตั้งใจให้รู้ทันบ่อยๆนี่มันไม่ได้นะ ไอการรู้ทันหรือรู้วเผลอเนี่ยมันเกิดขึ้นเองเหมือนกับที่เรานึกขึ้นมาได้ว่านัดเพื่อนเอาไว้หรือว่านึกขึ้นมาได้ว่าต้มน้าเอาไว้เป็นชั่วโมงแล้วหรือนึกขึ้นมาได้ว่าเปิดแก๊สยังไม่ได้ปิดแก๊สเลยเนี่ยไอการนึกขึ้นมาได้เนี่ยมันนึกขึ้นมาได้เอง ในการจดสติเนี่ยเราก็พยายามทำให้เกิดการนึกขึ้นมาได้เองเพียงแต่ว่าไอ้นึกขึ้นมาได้เองเนี่ยไม่ใช่นึกถึงเรื่องที่ทำในอดีตนะเปิดแก๊สไปเมื่อช่วงของที่แล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่ายังไม่ได้ปิดอันนี้เป็นเรื่องของอดีตนะนึกขึ้นมาได้ว่านัดเพื่อนเอาไว้นะตอนที่มันเลยเวลานัดละอันนี้ก็คือการนึก ถึงสิ่งที่ทําไปแล้วในอดีตแต่ว่าการจรดสติเนี่ยเราจะเน้นให้นึกถึงสิ่งที่กำลังทําในปัจจุบันอันนี้เป็นงานของสมาสติเลยนะสมาสติคือการเราลึกนึกได้สิ่งที่กำลังทําในปัจจุบันเช่นกำลังเดินจงกรมกำลังสร้างจังหวะต่อไปแม้จะไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบแต่กินข้าวอาบน้าถูฟันอาก็ กินข้าวใจลอยก็นึกขึ้นมาได้ว่ากำลังกินข้าวหรือว่าฟังธรรมอยู่ใจลอยก็นึกขึ้นมาได้ว่าเนี่ยกำลังฟังธรรมสวดมนต์อยู่ใจลอยคิดนวลคิดนี่แล้วนึนกขึ้นมาได้ว่ากาําลังสวดมนต์นอยู่ในขณะนี้เนี่ยอันนี้เป็นงานของสมาสติเราไม่สามารถจะเจาะ จ, จงกําหนดให้มันนึกขึ้นมาได้เองแต่เราสร้างโอกาสให้ใจเนี่ยมันนึกขึ้นมาได้เองด้วยการ ทำนานๆทำ บ, บ่อยๆเมื่อเราทำนานๆทำ บ, บ่อยๆมันก็จะนึกขึ้นมาได้ บ, บ่อยๆหรือว่าล่ว่เผลอซ้าแล้วซ้าเล่าร่ว่วเพลออยู่เรื่อยๆร่ว่าเพลออยู่เรื่อยๆถ้าเราทำห้านาทีอาจจะไอ้การล่วเผลออาจจะเกิดขึ้นได้แค่สี่ห้าครั้งแต่ถ้าเราทำหนึ่งชั่วโมงก็ จ, จะรู้ว่าเผลอหรือรู้ทันความคิดเนี่ยอาจจะยี่สิบครั้ง ถ้าเราทําทั้งวันในการรู้ทันว่ารู้ทันความคิดหรือว่าเผลอก็จะเกิดขึ้นเป็นนับพันครั้งและนี่แหละนี่จะทำใหสติของเราเนี่ยเติบโตสติของเราว่องไวเราไม่ได้ทำอะไรนอกจากเปิดโอกาสให้สติไม่ได้ทํางานด้วยกันให้เวลาให้เวลากับสติในการทํางานทํางานอะไรทํางาน ด้วยการรู้ทันความคิดหรือรู้ว่าเผลอเม่พอรู้ว่าเผลอรือรู้ทันเนี่ยมันก็จะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่ากำลังเดินจงกรมรู้ว่ากำลังกินข้าวรู้ว่ากำลังสวดมนรู้ว่ากำลังขับรถรู้ว่ากำลังฟังธรรมแล้วในช่วงช่วงขณะแล้วเนี่ยนะต่อไปเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่รู้ทันความคิด รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่มันจะเห็นความคิดมันจะเห็นอารมณ์เวลาหลวงพ่อพ่เขียบอกว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นเนี่ยหลายคนงงนะไม่เข้าใจมันคืออะไรเพราะเรารู้จต่การเห็นด้วยตาแต่หลวงพ่อท่านหมายถึงการเห็นด้วยสติเห็นความคิดเป็นอย่างไรเนี่ยบางคนไม่เข้าใจแต่ต่อไปแต่พอทำบ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยถ้ารู้ ทันความคิดรู้ทันอารมณ์บ่อยๆเนี่ยมันจะก็จะเริ่มเข้าใจ เ, เห็นความคิดเห็นอารมณ์คืออะไรแล้วมันจะเห็นต่อไปนะว่าความคิดเหล่านั้นอารมณ์นั้นไม่ใช่เราแต่ว่าก่อนที่จะเห็นตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่หลายคนรบพบหรือประสบ ค, คือพอเห็นความคิดเห็นอารมณ์ไอ้ความคิดอารมณ์นั่นก็จะจางคลายไปกำลังคิดอยู่เพลินๆพอเห็นมัน ความคิดนั้นก็หายจางหายไปเลยกําลังไหลไปตามอารมณ์แต่พอเห็นอารมณ์อารมณ์นั้นก็ค่อยดับไปตรงนี้แหละนะมันจะเป็นช่วงที่สร้างความประหลาดใจนะโอ้ไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยนะไอความคิดอารมณ์เนี่ยเพียงแค่เห็นมันเท่านั้นมันก็หายไปแต่การเห็นที่ว่านี่มันต้องเป็นการเห็นแบบที่หลวงพ่อ คำเขียนเรียกว่ารู้ซื่อๆนะคือเห็นแล้วไม่ต้องทำอะไรกับมันแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยพอเห็นแล้วเนี่ยเห็นความคิดหเห็นอารมณ์เนี่ยบางคนเห็นได้ประเดี๋ยวเดียวก็จะเข้าไปกดความคิดข่มอารมณ์ไปแบบี้ความคิดไป บ, บี้อารมณ์นะซึ่งถ้าทำแบบบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะนอกจากจะเครียดแล้วก็จะพบว่า ความพิาลารนะมันก็ไม่ได้หายไปไหนหลายคนทําแล้วเนี่ยนะจะรู้สึกหน้า ม, มืดเวียนหัวถ้ารู้ถ้าคิดแบบนี้ถ้ามีความสืบบ้สบกนี้แสงว่าทําผิดตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้ซื่อๆนะไม่ได้รู้เฉยๆแต่มันรู้แล้วก็ไปบี้ความคิดเข้าไปกดอารมณ์เอาไว้แล้วทำไมถึงเครียดถึงแน่นน้าอกปวดหัว เพราะตอนที่ไปกดความคิดข่มอารมณ์เนี่ยจะเผลอกลั้นลมหายใจอ เ, เราสังเกตียเวลาเวลาสนเข้มเนี่ยนะร้อยทั้งร้อยเลยเนี่ยจะ ก, กลั้นลมหายใจและนั่นคือสิ่งที่เราทําตอนที่เราไปกดความคิดข่มอารมณ์พอกลั้นลมหายใจบ่อยๆกลั้นลมหายใจบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้าทำไปวันหนึ่งก็จะรู้สึกเครียดปวดหัวแน่นหน้าอก นั่นเป็นเพราะไม่ได้รู้ซื่อๆไม่ได้รู้เฉยๆไม่ได้แค่เห็นมันเรื่องที่เกิดเพราว่าทำไมบางคนเนีบอกว่าเวลารู้ว่าโกรธทำไมมันยังโกรธอยู่ก็เพราะว่าพอ ร, รู้ว่าโกรธเนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้เฉยๆมันก็ไปกดข่มความโกรธเอาไว้มีความรู้สึกลบต่อความโกรธพอไปกดข่มมัน อารมณ์พวกนี้พอถูกกดข่มนี่มันยิ่งได้กำลังนะเหมือนกับไปต่อยุให้มันมันคล้ายๆกับเวลาเราเอาน้ำดับไฟเนี่ยถ้าเป็นน้ำสะอาดหรือน้ำเปล่าๆเนี่ยมันก็ดับไฟได้แต่ถ้าเกิดว่าน้ำามันเจือด้วยน้ำมันเนี่ยสาลงไปไฟมันไม่ได้ไฟมันก็ไม่ได้ ดับแล้วมันก็จะลุกโพรงขึ้นเพราะน้ำนั้นเนี่ยมันเจอด้วยน้ามันเวลาที่เราเห็นความโกรธเรารู้ว่าโกรธเนี่ยถ้าเรารู้ซื่อๆเนี่ยความโกรธก็จะดับไปเองแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สื่อๆนะไม่ได้รู้เฉยๆพอรู้แล้วเนี่ยก็อดไม่ได้ที่จะไปกดข่มความโกรธคือมีความรู้สึกลบต่อความโกรธ หรือผู้ยางคือโกรธซ้อนโกรธในการโกรธซ้อนโกรธเนี่ยก็คือทำให้ความโกรธนี่มันแทนที่มันจะดับแบบมันก็มีกำลังขึ้นมาแต่ถ้ารู้ซื่อๆเนี่ยนะรู้เฉยๆรู้ทันมันเฉยๆเนี่ยไม่ต้องทำอะไรกับมันเนี่ยมันก็จะดับเอง เ, อเคยมีคนถามหลวงปู่ดูนะตูโรนะว่าเนี่ยหลวงปู่ทําังไงตัดความโกรธให้ขาดได้ พันบอกไม่มีใครตาให้ขาได้หรอกมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันมันก็ดับเองแต่ที่ไม่ดับเพราะไม่ได้รู้ทันอาจจะรู้เพียงแค่แว บ, บเดียวแต่ว่าช่วงขนาดหลังจากนั้นก็คือเข้าไปกดข่มมันซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มักเกิดขึ้นคนที่ตั้งใจปฏิบัติมากนะแล้วก็ไม่รู้จักวางใจให้เป็นกลางๆต่อทุกเอาความคิดทุกอารมณ์ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกเหมือนกันนะนอกจากเราจะยอมอนุญาตให้ความคิดแล้วลมเกิดขึ้นแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะรู้ซื่อรู้เฉยเฉยซึ่งจะทำได้เนี่ยก็ต้องมีสติพอสมควรพอสติเราแก่กล้ามากขึ้นเนี่ยเราจะรู้ทันไอความอยากในใจที่จะให้ความโกรธมันดับไป มันมีความอยากอยู่ในใจนะที่มันซ่อนอยู่ในใจของผู้ปฏิบัตินะอยากให้ความคิดมันดับไปอยากให้ความโกรธมันดับไปไอความอยากนี่แหละที่ให้ให้ไม่ยอมรู้สื่อๆไม่ยอมอยู่เฉยๆหรือดูมันเฉยๆแต่ถ้าดูมันเฉยๆนี่มันก็ดับเองนะขอเพียงจต่เรารู้จักมันสังเกต เคยมีหลวงอาจารย์ประสงค์บริพูณหนท่านเคยเล่านะไปเจอเด็กคนหนึ่งอายุประมาณสักสิบขวบได้เป็นผู้หญิงสนทนากันอเด็กก็เรียกว่าตอบได้ฉาดฉานอาจารย์ประสงค์ท่านก็เลยบอกโอ้หนูปเป็นเด็กฉลาดนะหนูจะให้หลวงพ่อจะให้รางวัลหนู ก็เลยหยิบรูปรคำออกมาจากย่ามเด็กพอเห็นเด็กก็ร้องอ uh ู huh ้ฮูอาจารย์ประสงค์ท่านวนัยทก็ถามว่าหนูร้องอ uh ู huh ้ฮูหนูเห็นอะไรเด็กตอบน่าสนใจเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะเด็กไม่ได้ตอบว่าหนูดีใจนะเด็กตอบ่าหนูเห็นข้างในมันดีใจไอ้หนูดีใจกับหนูเห็นข้างในมันดีใจนี่มันต่างกันนะหนูเห็นข้างในดีใจคือเห็นความดีใจที่เกิดขึ้น แต่ถ้าหนูดีใจขึ้นหนูก็ไปเป็นผู้ดีใจแล้ว น, ะนี่เราเข้าไปเป็นแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เห็นอาจารย์สง์ถามต่อเรื่องทําไงกับมันหนูไม่ได้ทำไงกับมันครับหนูแค่ดูมันเฉยๆตอนนี้มันเบาลงแล้วความดีใจลดลงแล้วสิ่งที่เด็กทำเนี่ยคือเห็นนะเห็นความเห็นความดีใจไม่คข้าไปเป็นผู้ดีใจและสิ่งที่เด็กทําต่อไปคือแค่รู้ซื่อๆนะรู้เฉยๆ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากอะไรเพราะเด็กก็ทําได้ถึงบอกว่าการเจริญสติมันไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเรามากขอให้เราเข้าใจนะแค่ดูมันเฉยๆแล้วก็ยอมให้มันทุกความคิดทุกอารมณ์มันเกิดขึ้นใจมันจะไหลไปตามความคิดลาอารมณ์ก็ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่พอไหลไปแล้วก็ให้มันรู้ว่าเผลอไปไหลไปแล้ว รู้ว่าเผลอรู้อะไรเนี่ยก็จะทำให้ใจเนี่ยกลับมารู้เนื้อรู้ตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเกิดอาการที่ว่ากลับมานะและนี่แหละคือสิ่งที่จะชี้วัดความก้าวหน้าว่ากลับมาได้เร็วไหมจะกลับไม่ได้เร็วก็ต่อเมื่อรู้ทันความคิดได้ไวรู้ทันความคิดได้เร็วมันก็จะกลับมารู้สึกตัวได้เร็วหลวงพว่อเยบอกว่าเนี่ย มันเก่งก็ตรงนี้แหละเก่งตรงที่กลับมาไม่ได้วัาตรงที่ไปนะมันจะไปคือมันจะเผลอไงก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้กลับมานี้พอกลับมานี่มันก็จะรู้กายรู้กายว่ากำลังทำอะไรอยู่ระหว่างที่ไม่มีความคิดอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็มารู้กายรู้กายได้เพราะใจมันอยู่กันเนื้อกับตัวดังการรู้กายเนี่ยก็เป็น ก็เป็นพื้นฐานของการเจริญสติระหว่างที่ยังไม่มีความที่มีอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็มารู้กายในการที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้จิตเนี่ยมันมาอยู่กับกายได้อย่างต่อเนื่องครูบาอาจารย์นี่เคยสอบว่าเนี่ยเวลาเวลาปฏิบัติเนี่ยอย่าอยู่นิ่งๆ น, นะก็ให้เคลื่อนไหวไป ถ้าไม่ใช่ยกมือสร้างจังหวะเดินจงกลมก็รึงนิ้วไปครึงนิ้วมานะเวลาไม่ได้ปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตามก็อย่าอยู่นิ่งๆนะครึงนิ้วไปครึงนิ้วมาพึ่งมือไปพึ้งมือมาหรือครึงนิ้วเรียกว่าให้จิตมีที่ตั้งมีกายเป็นที่ตั้งมันจะได้ไม่เพ่นพ่านมันจะได้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ระหกระเหิน ไม่ระเหยเร่ร่อนนะไม่ถอยได้ถอยไลนี่วัดจิตมีที่ตั้งแล้วน ะ, อะพอใจมันเผลอไปเราก็รู้เพราะตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกตัวหรือความรู้เนื้อรู้ตัวจะหายไปความรู้สึกกายมันก็จะหายไปยาการปฏิบัตก็มีหลังงา่ายๆคือรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกระหว่างที่ใจไม่คิดอะไรก็เห็นกายเคลื่อนไหวรู้สึกว่ามือพลิกไปมา รู้สึกว่ามนิ้วคลึงจักรใจมีคิดนะก็เห็นความคิดอันนี้รวมถึงอารมณ์ด้วยหลักการปฏิบัติมันก็มีง่ายๆนี่หละคือเห็นกายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกนะถ้าใจยังไม่คิดอะไรก็มารู้กายแต่พอใจมันผ่าจากกายไหลไปตามความคิดไหลไปตามลมก็ไปรู้ทันมันหรือว่าเผลอก็กลับมา การปฏิบัติไม่ก็มีแค่นี้แหละนะก็แค่ดูแล้วก็รู้เฉยๆไม่ต้องทําอะไรมากกว่า น, นั้นไม่ต้องบังคับจิตไม่ต้องไปพยายามกดข่มความคิดอะไรแต่ว่าหลายคนมักจะทํามักจะชอบทําอะไรที่มันยากๆเพราะคิดว่าการปฏิบัติเป็นเรื่องซับซอ้อนจริงมันไม่ใช่แค่ดูแล้วแค่รู้เฉยๆเท่านั้นแหละ